ตอนแรกจะให้อาจารย์สมใจเทศคิดว่ามีคนใหม่ขอเทศเองได้ไหน่าเกียดนะอ่นนะเนาะนั่งจะเดินสติกันพอดีวันนี้มีเพื่อนปฏิบัติมาใหม่สองคน เรก็ได้สนทนากับแม่ชีที่ตั้งใจปฏิบัตินิดหน่อยไม่นิดหน่อยหรอกสนทนานิดหน่อยแต่แม่ชีตั้งใจปฏิบัติดีพูดเผื่อที่ได้ได้เป็นประโยชน์บ้างบรรยากาศวัดตอนนี้ก็ดูเงียบ เ, เงียบเนาะเงียบเคยสนทนากับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยช่วงนี้แหละหลังออกพรรษาเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวกันหลวงพ่อชอบใช้เวลาเนี่ยเก็บลมจเจริญสติ บางทีตอนคนเยอะๆมันก็ทําให้เห็นหลายๆอย่างเห็นอารมณ์จากข้า ง, างนอกแต่พอคนน้อยๆอารมณ์ข้างนอกมันก็ไม่มีเห็นเห็อารมณ์ข้างในข้างในที่มันแน่นออกมามันกระจายออกมาเราจัดการยังไงกับมันมาที่นี่ก็เพื่อเจริญสติเนาะทั้งพระสงฆ์ทั้งไม่ชีทั้งญาติโยม พอออกไม่ออกมีเหตุผลเดียวแล้วมั่งที่อยู่ที่นี่เก็บตกไปเรื่อยๆตามที่ครูบาอาจารย์สอนหลวงพเทียนสอนหลวงพ่อคำเขียนสอนเราก็ลองดูทำไมถึงต้องเจริญสติทำไมถึงต้องเคลื่อนมือพอเราจะมาสร้างฐานฐานของสติให้กายให้ใยเรา ปกติมันไม่ค่อยจะมีฐานเท่าไหร่ปกติมันไม่ค่อยจะมีที่อยู่เท่าไหร่ชอบไหลไปอยู่กับความคิดความคิดจากการใช้ชีวิตความคิดจากวิธีคิดจากสิ่งที่ประสบพบเจออะไรต่างๆมันก็จะไหลไปเรื่อยๆความคิดมันก็ทำหน้าที่ของมันนะจริงๆไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยการปฏิบัติธรรมไม่ได้มีอะไรผิดไม่ได้มีอะไรถูก เหตุมันเป็นยังไงผลมันก็เป็นอย่างนั้นใช้ชีวิตมีวิธีคิดอะไรมามีลมอ ะ, อะไรต่างๆมันก็เหมือนเป็นรอยประทับไว้อยู่ข้างในเป็นรอยที่ประทับไว้ละจะชอบก็ไม่ชอบหรือจะไม่รู้ตัวอะไรต่างๆมันก็ประทับไว้เป็นรอยพอถึงเวลารอยไหนที่ประทับมากรอยไหนที่ชัดรอยไหนที่เด่นรอยไหนที่มีการยับเยเอะเ มันก็แสดงออกมาเป็นตัวเป็นตนของเราเป็นนิสัยของเราเป็นองค์ประกอบของเราเป็นวิธีพูดของเรานี่คือลักษณะความคิดเราก็เลยมาเพื่อสร้างสติกันที่นี้ก็มีรูปแบบการสร้างสติเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวมือเคลื่อนไหวขาเคลื่อนไหวอิริบท่างๆเดินเดินยืนนั่งนอนให้มันเกิด การเคลื่อนไหวเกิดกระทบสัมผัสเป็นสิ่งที่สังเกตได้ง่ายคนใหม่ๆจับกระทบสัมผัสก็ดีง่ายดีไม่เยอะไม่เกี่ยวอะไรกับข้างในใจทั้งนั้นอะเรื่องของกายล้วนๆหรือคนเก่าจะจับกระทบสัมผัสก็ไม่ผิดอะไรมันก็เป็นด่านที่ดีได้ช่วยให้มันเด่นชัดมากขึ้นระหว่างสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายิ่งที่มันเกิดขึ้นจากวัตถุ วัตถุที่มันกระทบกันหมายถึงมือเร า, เานะขาเร า, เานะหรือขากับพื้นอะไรต่างๆมันก็เป็นวัตถุวัตถุกระทบกับวัต ถ, ถ, ถุเกิดสัมผัสอะไรขึ้นมามีการสั่นสะเทือนอะไรขึ้นมาอย่างตอนนี้ทุกคนก็เคลื่อนมือสังเกตมีการเคลื่อนมือมีการกระทบมีการสัมผัสเราก็จะสังเกตได้มันไม่มไม่ใช่เรื่อ ง, องความคิดไม่ได้มีความคิดที่ใส่ลงไปไม่ต้องมีการบริกรรม มันเป็นเรื่องของสองสิ่งในโลกจริงๆที่สัมผัสได้จริงๆไม่ได้คิดเดาเอาไม่ได้คิดต้นเดาอะไรต่างๆไม่ได้เป็นการคิดรู้ไม่ได้เป็นการคิดคำนวณไม่ไดม้มีการแปลความหมายอะไรสมีแค่เจตนาที่จะไปรู้สิ่งที่มันกระทบสัมผัสตรงนั้นเมื่อมันมีกระทบสัมผัสเกิดขึ้นเราก็เอาตรงนั้นแหละเป็นที่ตั้งเป็น บ้านเป็นจุดสังเกตก็ว่าได้เป็นหลักเป็นเสาหลักไว้แต่ทีนี้วิธีการปฏิบัติจเจริญสติทำยังไงให้มันไม่ได้จมแช่อยู่แค่อารมณ์เดียวเป็นการพักหรือการจมอยู่ในชาหรือที่หลงพุทเทียใช้คำว่าสมาธิหรือตกอยู่ในล่องของสมถะก็คือมันก็ต้องเปิดทวาร รับรู้สิ่งอื่นๆด้วยอย่างเวลาเราเคลื่อนมือเราก็จะสัมผัสได้รู้ได้ถึงสัมผัสอื่นๆที่มันไม่ใช่สิ่งที่เราเตีจตนารมเช่นลมเช่นเสียงตอนนี้มีเสียงกระทบหูเช่นรูปที่มากระตุ้งตากลิ่นสัมผัสหรือแม้แต่ความคิดเองเพราะฉะนั้นการจเจริญสติก็จะไม่ ห้ามความคิดไม่เจตนาคิดเรียกว่าเราทำหน้าที่ของเราเราทำหน้าที่เคลื่อนไหวรู้สึกไปรู้ในสิ่งที่เรากระทบสัมผัสสิ่งอื่นที่เกิดขึ้นมาก็รับรู้มันรับรู้มันในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่ามีเจตนาที่จะทามันแต่หมายถึงว่า เมื่อมันไปรู้สิ่งนั้นเมื่อจิตมันหลงไม่อยู่กับสิ่งนั้นเราจะสังเกตมือที่มันเคลื่อนบางทีพอความคิดขึ้นมามือก็จะยังเคลื่อนต่อนะมือก็ไม่ได้หยุดหรอกกระทบสัมผัสของวัตถุสองยางก็ยังมีอยู่ในโลกก็ยังเกิดขึ้นแต่ใจมันไม่ได้ได้รู้เลยใจมันไปหลงอยู่ในความคิดใจมันไปหลงอยู่ในเรื่องราวต่างๆในอดีตบ้างในอนาคตบ้างเนี่ยเป็นหลักฝึก จริงๆก็เป็นหลักฝึกของทุกที่นะไม่ใช่แค่ที่นี่ที่เดียวอย่างบางคนอาจจะเคยปฏิบัติบริกรรมมาพุทโทมายกย่างเหยียบหน่อมาอะไรก็แล้วแต่ก็ถูกทั้งหมดนั่นแหละทำไม่ถูกมันก็เป็นวิปัสสนาได้ทำไม่ผิดมันก็เป็นสมถะได้หรืออาจจะไม่ได้เป็นทั้งสองอย่างเลย เมื่อเราเคลื่อนมือเคลื่อนไหวรู้สึกแล้วมีสิ่งอื่นที่เกิดขึ้นล้สิ่งอื่นที่มันคอยจะดึงเอาสติลงไปดึงเอาจิตใจของเราไปเก็บเกี่ยวไปตามมันไปอยู่กับสิ่งนั้นเราก็มีหน้าที่กลับมาที่กระทบสัมผัสที่เราทําต่อไปหลักมันดูเหมือนง่ายๆเนาะไม่มีอะไรเลยใครก็บอกให้กลับมารู้สึกใครก็บอกให้กลับมารู้สึก จริงๆวิธีทํมันก็มีอยู่แค่นั้นนะนะแต่ความละเอียดของอารมณ์ความละเอียดของความคิดที่เราจะเห็นมันก็จะเริ่มไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งที่เราเห็นตามประสบการณ์ตามความละเอียดตามความแยบคายของนักปฏิบัติเองอย่างมาแร ก, แรก คนที่มาที่นี่จะสังเกตมาวันแรกๆถ้าใครอยู่นานๆมาวันแรกๆก็จะเจอความคิดที่มันเป็นอดีตซะเยอะคิดถึงเรื่องราวคิดถึงเหตุที่เราต้องมาทําตรงนี้จะไม่ค่อยได้กังวลเกี่ยวกับอนาคตมากเท่าไหแต่พออยู่ไปอยู่ไปใกล้จะกลับนะนะทีนี้มันจะคิดแต่อนาคตและววางแผนแหลกเลย วางแผนว่าเดี๋ยวต้องกลับไปทำอะไรต้องทำยังไงต่อบางทีมันวางแผนคิดนะวางแผนอย่างอาตมาเคยบางทียังไม่ได้กลับหรอกก็ยังอยู่นี่แหละช่วงปฏิบัติตอนมาเป็นโยมปฏิบัติวางแผนว่าเนี่ยเดินจงกรมอยู่นะตอนกลางคืนมันวางแผนว่าเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องเจริญสติยังไง วางแผนดีมวางแผนจะเจริญสติดูดีนะดูเป็นคนดีวางแผนว่าจะไปทจะเจริญสติพรุ่งนะี้แต่ตอนนี้เจริญสติอยู่ตอนเนี้ยตอนคืนนั้นเนี่ยไม่รู้หรอกคิดถึงพรุ่งนี้ละมันหลอกให้ไปข้างหน้ามันหลอกให้ไปหาความคิดเราก็เฮ้ยเฮยพอรู้ตัวก้าวที่กระทบสัมผสัสอยู่ลืมไปละดันไปวางแผนว่าจะทำดีในพรุ่งนี้ วางแผนจะเจืิญสติในพวกนี้มันก็คือหลงมันก็คือความคิดดีๆนั่นเองที่มีความละเอียดมีชั้นเชิงในการจะมาหลอกให้เราไหลาตามไปกับมันแรกๆตอนที่เราไม่ได้รู้จักเรื่องการเจริญสติเราก็อาจจะหลงไปอยู่กับความคิดในอดีตบ้างความคิดในอนาคตบ้างพวกนี้ก็ทําให้เราทุกข์ได้นะอยู่กับโลกง่ายๆ กังวลสิ่งที่ผ่านถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงออแล้วเราก็ถอหในใจกังวลหรือว่านึกลำพึงลำพันหรือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตเนี่ยเสียดายเราก็จะรู้สึกเครียดกับตัวเองพอเริ่มมาจเจริญสติแล้วเราก็เริ่มสังเกตเห็นเห็นได้ไม่ยากหรอกจริงๆนะถ้ามีความแยบคายแค่หน่อยถ้ามีความตั้งใจแค่หน่อย เราก็จะเริ่มเห็นเห็นในส่วนของความคิดที่ไปทางอดีตบ้างไปทางอนาคตบ้างโดยเฉพาะไปในเรื่องที่เราทุกข์นั่นแหละเฉพาะไปเรื่องของความกังวลไปในโทนที่จิตมันทุรนทุลายจะเริ่มเห็นพวกนี้ตัวใหญ่ๆสังเกตง่ายๆปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็จะ เหลือแต่ตัวละเอียดละเอียดละเอียดละเอียดละเอียดให้เราได้แยบคายกันมาสักหน่อยบางทีมันก็ไม่ได้ไปแค่อดีตหรือมันไม่ได้ไปอนาคตนะบางทีมันคิดอยู่ในปัจจุบันนะคิดว่าตอนนี้เราทําอะไรอยู่คิดวิพากวิจารณ์สถานการณ์การเจริญสติหรือบางทีถ้าเราเจริญสติในชีวิตประจําวันเช่นทําการทํางานอ่ะนะ ยิ่งโดนความคิดหลอกง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวนงคิดว่ารูปแบบเนี่ยสำคัญถ้ายังไม่เห็นในรูปแบบนะยากที่จะเห็นนอกรูปแบบแต่ก็ไม่ใช่ว่าเห็นไม่ได้นะก็มีหลายคนที่ทำได้นอกรูปแบบแต่ในความทีที่จะเห็นในบางทีมันต่างกันลิบลับนะ ส่วนตัวเคยนะเคยปฏิบัตินอกรูปแบบปฏิบัติในรูปแบบได้สักพักหนึ่งก็ไปนอกรูปแบบเนะี่ยนาที15นาที10นาทีที่จะรู้ได้ครั้ง2ครั้ง3ครั้งที่เหลือมันจะเป็นอารมณ์ที่มีความสุขกับการทํางานมันมีความสุขจริงนะเพราเวลาปฏิบัติมานสักพักมันจะเริ่มมันมีสมาธิการทํางานได้ไม่วอกแวกแล้วจะทํางานมันทํางานได้มันมากเลย เอาสมาธิไปทําเป็นโทนของสมาธิเลยแต่ก็ไม่ได้ทอนกลับมารู้ในสิ่งนั้นไม่ได้ถอนออกมาจากอารมณตรงนั้นบางทีนาทีนหนึงรู้าาาาสักครั้งหนนาที5นาทีทําไปทํามาทีชั่วโมงหนึงรู้สักครั้งนึงดูเหมือนจะดีนะแต่เราเคลื่อนไหวรู้สึกอยู่เนี่ยทำในรูปแบบมันทะแยบคายนะทะแยบคายแล้วมีความตั้งใจใส่ใจนะจ๊ะ จะรู้ได้ทีขนาดไหนหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยสมมุติวินาทีละหนึ่งรู้เนี่ยเคลื่อนมือทีหนึ่งวินาทนีชั่วโมงหนึ่งได้สา0 0ันหร้อยูแ ย, ยบคายสักหน่อยได้สา0 0ันรยทีทำไม่ครบก็ได้ได้ห้าสิบเนพันแปดเยอะไหมกับการที่ไปหลงอารมณ์อยู่ตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวที่ เราจะเริ่มสังเกตเห็นละเวลาทําในรูปแบบในอดีตก็เห็นละในอนาคตก็เห็นละทีนี้ในปัจจุบันเห็นหรื อ, อยังอะไรที่มันเป็นภาษาตัดสินโลกมีการตัดสินว่าอย่างนี้ถูกหรืออย่างนี้ผิดตัดสินว่าเป็นยังไงหรือไม่เป็นยังไงหรือบางทีมันก็คิดไปไกลๆบ้างตัวอยู่ที่วัดป่าสุกโตคิดกลับไปที่บ้าน คิดกับไปที่ทํางานคิดกับไปกรุงเทพคิดไปเมืองนอกเมืองทีมันก็ปาใกล้ๆใกล้ๆเช่นกัคิดอยู่ในวัดเนี่แหละหาคนผู้คนในวัดลิน ส, สาราสัตว์ที่เราเห็นอะไรนะคิดแล้วทําไมคนนั้นทําอย่างงั้นคนนี้ทําอย่างงี้อะไรเนงะีย้ยเดี๋ยวเราจะต้องไปทําอย่างนี้ไหมเราจะต้องไปทําอะไรไหมมันเป็นความคิดเหมือนกันนะอ่าเป็นความคิด คิดมีภาพวิจารณ์คิดเตรียมตัวอะไรต่างๆก็จะเนี่ยประมาณคิดไกลๆละเอียดก่อนนั้นบิกมันก็จะไม่ได้มีคิดใกล้หรือคิดไกลแล้วมันจะมีคิดเข้ามาข้างในคิดเกี่ยวกับตัวเองคิดบอกตัวเองหรือถ้ามีวิปัสสนูเกิดที่เป็นอารมณ์คิดวิพากวิจารณ์เทศให้ตัวเองฟังวางแผนไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกนะแต่ว่าเป็นความคิดที่ ละเอียดเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่คนที่อยู่กับโลกมาคนที่คุ้นชินกับการแยกคิดวิเคราะห์พยายามหาปัญญาพยายามหาความเข้าใจทางด้านการเจริญสติในการปฏิบัติธรรมนถ้าเราใช้วิธีแบบโลกๆมันก็จะเป็นการรู้ด้วยความคิด พยายามที่จะหาธรรมะด้วยความคิดเอาการหาธรรมะด้วยความฟังเอาพิจารณาเอาแล้วก็ปล่อยวางี่เขาบอกข้อปล่อยวางปวางกันนะส่วนใหญ่ก็ปล่อยวางจากความคิดทั้งนั้นแหละพอปัญญาที่เกิดจากตัวภาวนาเนี่ยเป็นปัญญาที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อ ง, องความคิด ปัญญามีสาระดับสุต่มยาปัญญามันยาที่เกิดจากการฟังจินตามายปัญญาปัญญาที่เกิดจากการจินตนาการเนาะคือคิดตามะนะพิจารณาตามสองอันแรกนี่เราคุ้นชินกับการที่ใช้มันอยู่ในโลกอยู่แล้วการเรียนการศึกษาการทํางานอะไรต่างๆเรารู้ได้เราเข้าใจได้การหาข้อมูลเช่นอ่านหนังสือเนี่ยก็เหมือนเปรียบเหมือนการได้ฟังมา พูดคุยได้สนทนาก็เหมือนกันได้ฟังมาเมื่อมีข้อมูลแล้วเราก็คิดพิจารณาตาไม่เกิดไอเดียใหม่ๆเกิดความรู้ใหม่ๆเกิดแนวความคิดใหม่ๆเกิดทางออกใหม่ๆนั่นก็จะเป็นปัญญาที่มันใช้กันอยู่ในในในโลกในในการเรียนรู้ในการทำงานในการเอาตัวให้รอดในสังคม จะพอถึงปัญญาที่มันเกิดจากการภาวนาที่มันไม่ใช่เรื่องของการคิดได้มันไม่ใช่เรื่อ ง, องการคิดเข้าใจตรงนี้ก็ต้องแยบคายกันมานิดหนึ่งทําความเข้าใจก่อนตอนนําความเข้าใจกเกิดจากการฟังนี่นแหละเกิดจากการได้ฟังอาจจะได้คิดตามเธอโดยซ้ำจิน ต, า น, ตนาการตามมาก่อนว่าเออมันมีอย่างนี้เกิดขึ้นเนาะรับฟังไว้ก่อนยังไม่เข้าใจหรอกมันเป็นยังไง ที่พบว่ายังไม่เข้าใจเหมือนมันวาดภาพไม่ได้ตัวภาวนามยพัญญาปัญญาที่วาดภาพเอาไม่ได้เป็นปัญญาที่คิดก่อนก็ไม่ได้นะสรุปก่อนก็ไม่ได้จะทําความเข้าใจก่อนยังไงมันก็ไม่ได้เพราะการคิดการทาความเข้าใจกันอะไรนเป็นเรื่องของการคิดหมดเลยแต่เราก็เข้าใจไว้ก่อนมีคนพูดอย่างนี้เข้าใจก่อนทีนี้ก็เป็นเรื่องการลงมือทําและสัมผัสรู้เอา มันเป็นเรื่องของการมันไม่ใช่เรื่องของการที่คิดและรู้มันเป็นเรื่องของการที่เรารู้ว่าเราคิดเรารู้ในตัวตนของเราว่าตอนนั้นเราทำอะไรในรูปแบบแี้ก็จะช่วยให้เรารู้เรื่องของกายเรารู้ว่ากายของเราเป็นยังไงอยู่าการเคลื่อนมือเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนมือบ้างเดินบ้างทำไปทาไปก็จะ เริ่มรู้รายละเอียดต่างๆมากขึ้นเริ่มรู้สัมผัสเริ่มรู้โดยทําสักแป๊บนึงเกิดอาการเมื่อยลนะเมื่อยหลังเมื่อยคอเมื่อยตัวเมื่อยอะไรต่างๆโดนแดดร้อนโดนลมแล้วหนาวอะไรแล้วก็เริ่มสัมผัสรู้ได้ละชัดเจนกับตัวนี้มากขึ้นบางทีไม่เคยรู้เลยนะปฏิบัติไปบางทีเออเราหายใจก็มีความสุขเนาะี รู้สึกลมหายใจเข้าบางทีแค่สูดลมหายใจลึกๆทีนึงเหมือนได้ชาร์จแบตชีวิตเหมือนได้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวความสุขง่ายๆเลยนะจากการปฏิบัติเป็นความสุขที่เกิดจากมีสมาธิกับสิ่งที่เราทําสุขง่ายๆแต่เป็นสัมมาสมาธิที่รับรู้สิ่งอื่นเมื่อเราเริ่มรู้กายแล้วเราก็จะเรืยรู้ใจของเราด้วยในพร้อมๆกัน เหมือนที่หลวงพุทธิยนบอกดูกายเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจมันนึกมันคิดอย่างเราก็เห็นแล้วใจมันเริ่มนึกคิดไปบ้างไปอดีตไปอนาคตใช่ไหมเมื่อเห็นแล้วทำไงเรามีหน้าที่กลับมาทํางานของเราแค่นั้นเองกลับมาทํางานของเรากลับมาทําหน้าที่ของเราเคลื่อนไหวรู้สึกกระทบสัมผัสรู้สึกนื้มันกลับมากระทบสัมผัสรู้สึกบ่อยๆ แรกๆความคิดมันก็ยังไม่ตัดหรอกนะจริงๆแล้วมันก็เหมือนไม่ก็ยังวิ่งมีต่อคู่กับแล้วนั่นแหละเราก็ไม่เป็นไรเรียกว่าจําใจทําต่อไปอั น, นี่ใช่ความอดทนจําใจทําก็ยังเคลื่อนไหวของเรามันจะเหมือนวิ่งไปสู้คู่ขนานอ น, นะนะนอกจากว่าเราจะมีเจตนาที่แบบดึงมันกลับมาเลยนี่ก็ไม่ผิดไม่ถูกเหมือนกันเป็นเจตนาที่กลับไ ตัวจะปฏิบัติไปก็ได้มันก็อย่าอาจจะไม่หยุดหรอกบางทีเรากลับมารู้สึกแล้วมันก็เหมือนจะวิ่งต่อนะเรื่องเหมือนก็หยุดแป๊บหนึ่งสะดุดนิดหนึ่งแล้วมันก็ต่อไปได้ของมันเหรือบางทีมันอาจจะเริ่มใหม่เริ่มใหม่หรือบางทีมันอาจจะเปลี่ยนเรื่องแต่เราก็เนี่ยใช้กระทบสัมผัสรู้สึกตัวขั้นกลางทําตรงนี้บ่อยๆสังเกตตรงนี้บ่อยๆให้ประสบการณ์มันมีมากขึ้นให้ตัว การกลับมารู้สึกมันเป็นนิสัยใหม่เป็นสัญญาใหม่เมื่อทําตรงนี้บ่อยๆมันก็จะเริ่มเห็นตรงนี้ชัดขึ้นเป้าในการสัมผัสรู้สึกก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นแต่ก่อนไม่ค่อยจะชินเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มชินแล้วลำบักที่รู้สึกทีนี้มันก็จะเริ่มมีความแม่นยํากลับมารู้สึกได้กลับมารู้สึกได้ความคิดบางอย่างก็จะเริ่มรู้ทันแล้วก็กลับมาได้เลย แต่ความคิดบางอย่างก็ยังไหลไปยังก็ยังลากเรายาวต่อไปก็ไม่เป็นไรก็ทําหน้าที่ของเราต่อไปกลงังกําลังยังไม่พอก็ทําเท่าที่ทําได้แต่ก็ไม่ใช่หยุดทําไม่ได้ยอมแพ้ก็ทำเท่าที่ทําได้ฝึกซ้อมต่อไปฝึกซ้อมมากขึ้นมีความมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็จะได้เอาสิ่งนี้ไปใช้ ไม่ใช้มีความคิดห ย, ยาบๆเกิดขึ้นความคิดละเอียดเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มใช้ได้เริ่มแยกแยะได้เมื่อกี้ที่พูดถึงตัวภาวนาปัญญานะปัญญาที่เกิดจากการคิดมันเป็นความคิดที่เป็นปัญญาที่มันไม่ได้เราไม่ต้องทําอะไรอะ่ะเราไม่อยากทําเราไม่อยากจะรู้มันก็รู้นะถึงเวลาถ้าทาถูก อยากรู้ก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าพอทำไปทำไปแล้วมันจะรู้เองมัรู้เองมันก็เหมือนที่คนอื่นเขาบอกปล่อยวางอะนะเหมือนที่คนอื่นก็บอกเห็นอนิจจังทุกขังนักตาอะไรต่างๆแต่มันไม่ใช่การเห็นแค่คําพูดมันไม่ใช่การพูดโกหหรูเฉยๆมันเป็นการที่มันเห็นแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องของคาอธิบายอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นในกดตายรักที่เราเห็นกด ปล่อยวางที่เห็นอะไรต่างๆจริงมันเป็นผลนั่นั้นเป็นผลจากการปฏิบัติไม่ใช่เป็นเหตุที่เราทําเราไม่ได้เป็นคนปล่อยวางแล้วเราก็รู้สึกดีรู้สึกผ่อนคลายไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันเป็นเหตุที่เกิดจากการกลับมารู้สึกตัวเป็นแล้วก็มันปล่อยของมันเองไม่ได้เจตนาจะปล่อยมันก็ปล่อยนั่นถึงเวลาปฏิบัติไปไม่ได้อยากจะหายเครียดแต่มันก็หายเครียดเองไม่ได้อยากที่จะ ถึงอยากจะเป็นทุกข์อะ่ะมันก็ไม่ทุกข์ะนะถึงเวลาจริงๆอยากจะคิดให้มันเคลียร์ก็ไม่รู้จะคิดยังไงะนะกลับมารู้สึกตัวดีกว่านี่คือตัวปฏิบัติทําไปทําไปปัญญามก็จะเริ่มพัฒนาของมันขึ้นมาเองไม่ต้องทําอะไรเพราะฉะนั้นไม่ต้องคุยอย่งมันก็ได้นะพูดถึงแต่ที่พูดถึงเพื่อทําความเข้าใจใน บางคนบางท่านอาจจะยกตรงนี้ทําผิดทําผิดหมายถึงว่าเอาเหตุมาเป็นเอาผลมาทําเป็นเหตุซะอะไรเงี้ยมันเป็นคนละเรื่องกันเมื่อเราเริ่มกลับมารู้สึกตัวแล้วเริ่มกลับมารู้สึกตัวแลเห็นตัวอดีตเห็นตัวอนาคตเห็นตัวปัจจุบันละ เห็นความคิดที่ไปไกลๆเห็นความคิดที่ไปใกล้ๆแล้วเห็นความคิดที่อยู่ข้างในแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะจริงๆมันก็มีอยู่แค่นั้นเพียง <c oughs> แต่ว่าเราจะเห็นละเอียดไปได้มากน้อยขนาดไหนเห็นละเอียดลึกๆลงไปขนาดไหนบางทีเห็นเกี่ยวกับข้างในเนี้ยเป็นตัวสงสัยเป็นตัวที่ สงสัยตัวเองปฏิบัติแล้ทำถูกหรือเปล่าทำผิดหรือเปล่าเนี้ยต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมทำอย่างง้นใช่ไหมอะไรพวกนี้ก็เป็นความคิดนั้นเรากลับมารู้สึกตัวให้ได้ก็จะดีบางทีบางอารมณ์มันออกมาแรงนะบางทีบางอารมณ์มันออกมาแรงเช่นมันออกมาเร็วๆแล้วเราก็ตามมันไม่ทันเช่นบางทีก็ไม่ได้มีความคิดอยู่ตรงนี้หรอกแต่บางทีเห็นใครสักคนหนึง่งอย่างอาัมมาเคยที่ปฏิบัติอยู่แล้วก็ มีมันก็ไม่ได้คิดจะถามใครอะไรนะหลวงพ่อเดินมาคำถามมันชนเข้ามาในหัวเลยนะมันก็กระแทกเราไปดันเราไปออกจากฐานเดินจนกลมก็ไปหาหลวงพ่อแล้วไปถามหลวงพ่อจริงไม่ได้อยากรู้คําตอบหรอกแต่โดนความคิดมันดันออเหมือนมันกระแทกออกมาแรงๆปุ๊บโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวเพราะว่าตอนนั้นมันก็อาจจะยังเมื่อๆอยู่ตอนนั้นอาจจะยัง หลงอยู่พอมันมีความคิดที่มันกระแทกออกมาํามเหตุปัจจัยมันเห็นช่องของมัน น, นะดันปุ๊บอเี้ย ท, ท, ทีนี้เราออกมาเลยแล้วก็เป็นเรื่องไม่ได้อยากรู้นะสิ่งที่ถามบางครั้งแต่โดนมันออกมาอยากจะหาอะไรคุยหน่อยอะไรเงี้ยแบบนี้ก็มีเหมือนกันก็ต้องสังเกตตัวสังเกตก็คือแยบคายวิธีการปฏิบัติก็คือบางทีมันไม่ใช่แค่เคลื่อนมือได้อะไรเงี้ยบางทีเคลื่อนมือไปได้เรื่อยๆบางทีมันก็ ไม่ได้สใส่ใจทุกครั้งเนี้ยให้มันรู้จริงๆว่ามันมีการเคลื่อนให้รู้จริงๆว่ามันมีการหยุดในแต่ละครั้งเรียกว่าแต่ละการเคลื่อนมันแยกขาดออกจากกาันเหมือนเดินแต่ละก้าวก็แยกขาดออกจากกันมีความตั้งใจหน่อยรู้ว่าเคลื่อนมาหยุดหนึ่งก็จะช่วยได้ช่วยให้ ประ Base ับประคองไดหน่อยหนึ่งเพราะบางทีมันเคลื่อนอย่างเงี้ยสิบี่จังหวะมันจะมีการจับของมันในล้านเนี่ยจับของมันะนะะจับตัวรู้สึกแล้วแต่นิสัยคนบางทีเคลื่อนสิบสจังหวะสังเกตตัวเองการบางทีเคลื่อนๆไปอย่างเงี้ยบางทีมันจับเป็นสามจังหวะชุดหนึ่งตึกตึกตึกตึตึกตึกึ ก, ก, ก, ก, กึกึจับเป็นชุดของมันนะนะแล้วมันก็เวน้นจับเป็นชุดแล้วก็เวน้นก็ไม่ได้ผิดนะเป็นเทคนิคเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นเองตาม ตามปฏิบัติแต่ว่าให้มีการใส่ใจแล้วกันว่าอะเนี่ยเรากระทบสัมผัสรู้สึกอยู่มีการเคลื่อนอยู่มีการไหวอยู่กนะ็มีเจตนาเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติต้อมีเจตนาจะเคลื่อนจะไหวในเจตนาเกิดขึ้นเกิดจากการใส่ใจแล้วก็ทําลงไปแต่ถ้าเราเจตนามากไปบางทีมันทําแล้วมันก็เครียด บางทีมันทําแล้วมันก็ทําให้ปฏิบัติไม่ได้นานนี่ก็ต้องผ่อนเอาลองเอาลองผิดลองถูกเอารู้เพื่อที่ตึงเพื่อที่จะหย่อนหย่อนก็เพื่อที่จะตึงอะไรเงี้ยมันไม่มีใครที่สามารถจะมาปฏิบัติแล้วกันเนี่ยโอ้ทางสายกลางโปะเชะเลยวางใจกลางๆรู้ซื่ออาจจะมีคนทําได้นะแต่ว่าโดยส่วนตัวก็ทําไม่ได้นะ ทำได้ค่เปประคองไม่ให้มันเป๋มากแรกๆมันก็จะสวิงเยอะติดฝั่งนู้นบ้างติดฝั่งนี้บ้างหลังๆมันก็เริ่มสวิงน้อยลงสวิงนิดนึงเราก็เริ่มรู้ตัวแล้วกลับมามันก็ยังเป๋อยู่นะมันก็ยังซ้ายยังขวาอยู่ก็คลอเคลียกันไปแต่น้อยแล้วก็จะได้วนเวียนอยู่กับตัวใจกลางๆที่มันรู้ได้มากขึ้นเลย อีกเทคนิคนึงไม่ว่าจะอยู่นานอยู่เกา่าอยู่แก่อยู่แป๊บเดียวพึ่งมากาลังจะกลับอะไรเงี้ยคือปฏิบัติแบบช่างหัวมันนะปฏิบัติแบบทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆตัวส่วนตัวเคยนะเคยเอ่อตอนมาปฏิบัติแล้วก็ตอนนี้นก็ตั้งใจจะเอานะมีคน เขาคุยไว้เขาไม่ได้คุยหรอกาก็พูดตามธรรมดาแหละเขาไม่ได้คุยกับเราเพียงแต่ว่าเราเอาเป็นแรงมาดาลใจลใช่ไหมเขา พ, ขเพูดถึงพุเทียนพูดถึงสภาวะรูปนามพูดถึงอะไรต่างๆแล้วก็รูปนามเป็นยังไงว่าปฏิบัติหารูปนามอย่างเดียวเลยเขาจะรู้ให้ได้หมอเจวัอนจะมีหมอเจหมอเจเล่าเนี่ยปฏิบัติ15วันโอ้ยเห็นกายมันแยกออกมาใจแยกออกมาอะไรวะเนี่ยกายแยกใจแยก แล้วก็ปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็หวังนะปฏิบัติด้วยการมีเป้าหมายแต่ใจมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ไงใจมันไปอยู่ที่เป้าหมายไงมันก็เลยไม่ได้รู้สึกจริงจริงนแล้วลตอนนั้นน้ําหมดเครื่องแท้งน้ําดื่มไม่มีหรือเสียอะไรทุกอย่างหอไตก็ไม่มีต้องไปเอาสารหนาสารหน้าก็ไม่มีน้ําดื่มหมด ต้องเข้าไปในครัวอาตมาเข้าไปในครัวแล้วก็มีแม่ชีอ่ะนะแม่ชีน่าจะเป็นแม่ชีทองอยู่จําไม่ได้แล้วนานแล้วตั้งแต่ก่อนบวชกับโยมใครก็ไม่รู้ผู้ชายเพิ่งเห็นเร็วๆนี้เป็นการเห็นอีกทีคงอยู่แถวเนี้ยก็คุยกันสนทนากันผู้ชายก็สนทนานเนี่ยปฏิบัติเราคนปฏิบัติส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกไปอยู่กับสิ่งที่ตัวเองหวังอะไร ลืมลืมความรู้สึกตรงนี้ไปแล้วก็ไม่รู้นะเขาเป็นใครแต่ ว, ว่าตอนนั้นใจมันเปิดรับฟังในขณะที่เติมน้ํำไปเติมน้ําใส่ขวดมันก็เลยอ่๋อมันเขาแก้ลมให้เราเลยนะโดยที่เขาก็ไม่รู้นะเราก็โอ้โหช่วยได้เว้ยเลยปฏิบัติแบบช่างมันนะทําไปก่อนเอาแค่เนี้รู้สึกตอนเนี้ยกระทบสัมผัสทีนี้เคลื่อนทีนี้รู้สึกเนี่ยพอละอย่างอื่นช่างมัน ตอนนี้ปลอดภัยแล้วอย่างน้อยก็ไม่เครียดนะอย่างน้อยก็ไม่ได้กังวลถึงเรื่องในอดีตอย่างน้อยไม่ได้เป็นด้เรื่องในอนาคตอย่างน้อยก็ไม่ได้หลงอยู่กับปัจจุบันแค่เนี่ยสัมผัสเนี้ยครั้งเนี้ยรู้และไม่เป็นไรอ่ะครั้งใหม่รู้ครั้งใหม่รู้หลงไปก็ไม่เป็นไรครั้งหน้าเราก็รู้ใหม่หายละเคลียร์ละทุกอย่างก็รู้ต่อไปเรื่อยทานี้ไปเรื่อยๆทําสบายๆแต่ก็ยังทําอยู่ทําไม่หยุดเหมือนที่จาย์ไปสาร เป็นสโลแกนนะรู้สึกจะเป็นสโลแกนธรรมยถ า, าไม่รู้ปีไหนปีนี้มั่งเป้าหมายอยู่ไกลใจอยู่ปัจจุบันอย่างนั้นเลยปฏิบัติธรรมก็ต้องมีเป้าหมายแนละ้วต้องมีวาดฝันไว้จนเพื่อให้เราได้ตั้งเป้าในสิ่งที่เราจะทำอยู่แต่ว่าใจเราอยู่กับการทําตรงนี้จริงๆนะพอใ จ, จที่นี้พอใจที่จะทําเป็นฉันทะในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะก็เลยช่างมันนะ ไม่รู้เรื่องอะไรอะตัวลมปฏิบัติจนปัจจุบันนี้ถ้าให้อธิบายรูปนามก็อธิบายไม่เป็นนะเป็นไม่รู้เหมือนกันรูปนามของหลวงพุท e x t e r เป็นยังไง ร, รู้แต่ ว, ว่าเราเห็นเราเป็นอย่างเงี้ยเ อ, อเราพอเข้าใจตัวเองได้บ้างอย่างเงี้ยแล้ก็คิกเกียดคิดด้วยว่ารูปนามของคนอื่นเป็นยังไงคิกเกียดคิดด้วยว่าสภาวะคนอื่นเป็นยังไงเราเข้าใจตัวเองของเราอย่างเงี้ยถ้าให้พูดก็จะพูดของเราอย่างเงี้ย สิงที่เราเข้าใจอย่างเงี้ยในภาษาของเราอย่างเงี้ยในภาษาที่เราเคยทำมาอย่างเงี้ยเทียบเคียงกับคนอื่นก็เทียบเคียงได้ตามความเข้าใจของเราอยู่ดีเพราะบางทีคําพูดมันเป็นอาจจะใช้คําพูดไม่เหมือนกันนะอาจจะใช้คําพูดมั น, มนอยา่างวันนี้สนท น, นากับโยมที่เพิ่งมาอย่างเงี้ยโดยส่วนตัวเคยเหมือนกันเคยอ่านปฏิบัติไปเคยได้ยินชื่อหนังสือเคยอ่านหนังสือหลวงพูทเทศตอนนั้น นี่หลวงพุทธ esor อ, อะไรว่าหยิบหนังสือมาอ่านพี่สาวมาถวายเราหยิบมาอ่านอยากรู้เออหลวงพุทธ์กูบาอาจารย์ดีไม่เคยได้ยินท่านหรอกไม่เคยเห็นท่านหรอกหยิบมาอ่านมันก็อ๋อมันหลวงพุทธ์พูดถึงสมาธิพูดถึงฌานเราก็อ่านสมาธิหลวงพุทธ์สอนฌานในหลวงพุทธ์สอนแต่เราไม่ได้อ่านเป็นคำ น, นะนะเราไม่ได้อ่านเป็น เทียบเคียงว่าออกคํานี้มันคือความหมายอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราอ่านแล้วมาเทียบเคียงกับสิ่งที่เร่งปฏิบัติแล้วก็รู้ได้ว่าสิ่งที่หลวงพเทศใช้คําว่าสมาธิมันหมายถึงอะไรมันไปตรงกับสภาวะที่หลวงพุทเทียนบอกว่าสติสมาธิที่หลวงพเทศพูดถึงหมายถึงคําเดียวกับที่หลวงพุทเทียนใช้คําว่าสติสภาวะเดียวกันล่องเดียวกัน แต่สมาธิที่หลวงปู่เทียนพูดถึงบอกว่าทำแล้วไม่ได้ปัญญาอะไรเนี่ยมันไปเป็นสิ่งที่หลวงปู่เทศใช้คำว่าฌานฌานพักเราก็ไม่ได้เถียงกันนะไม่ได้เถียงว่าเออคนไหนพูดผิดหรือคนไหนพูดถูกแต่พอมันอ่านแล้วมันเข้าใจถึงความหมายที่มัน เทียบเคียงกับตัวเองได้มันก็เลยพอรู้บ้างพอได้เข้าใจบ้างอะไรนั้นปฏิบัติทำเนี่ยบางทีมันแค่ขึ้นไหวรู้สึกกับรู้สึกครั้งเดียวไม่เป็นไรกับรู้สึกแค่เนี้ยปลอดภัยกับรู้สึกแค่เนี้ยปลอดภยัยทําไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดอาการหนึ่งคืออยู่ง่ายขึ้นนะอยู่ง่ายขึ้นไม่คิดอะไรมากไม่ สามารถจำอยู่กับปัจจุบันได้ง่ายขึ้นมีพลังมากขึ้นเห็นความคิดมากขึ้นแต่มันก็ยังพูดอะไรไม่ได้ไม่ได้เทศอะไรไม่ได้สอนใครไม่ได้หรอกพูดก็ไม่ตรงกับชาวบ้านนะบางคับบางคําอะไรแต่เรียกว่าเราสามารถกลับมารู้สึกของเราได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นนี่ประโยชน์เราก็จะไม่เถียงกับใครด้วยเมื่อมีคนไหนพูดอะไรก็จะรู้ที่หลวงพุทิย์บอก เวลาไปฟังคนอื่นพูดเนี่ยธรรมะเราก็รู้เขาพูดธรรมะเขาพูดไม่ใช่ธรรมะก็รู้เขาพูดไม่ใช่ธรรมะแต่เราก็ไม่ได้ไปขัดแย้งใครเพราะเราก็ทําหน้าที่ของเราตรวจจับตัวเองจับผิดตัวเองจับผิดตัวเองไม่จับผิดคนอื่นอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกอย่างก็เป็นเหตุปัจจัยของมันไม่มีใครทําผิดในโลกม่ได้เหตุปัจจัยเป็นยังไงแต่ว่าเราตรวจสอบตัวเองได้สิ่งที่เราเรียนรู้คือเรียนรู้ตัวเองได้ เมื่อเราเรียนรู้ตัวเองแล้วมันก็จะเกิดอาจจะเกิดในการเรียนรู้คนอื่นได้นะบางทีเห็นคนอื่นอยู่ในอารมณ์ยังไงเงี้ยบางทีเราก็มองเข้าใจได้ไม่ได้มียานวิเศษอะไรหรอกนะแต่มันก็ ค, คล้ายๆกับเวลาเราหลงอะเราก็รู้ว่าบางทีเราหลงมาในอารมณ์นี้แล้วสภาพเราเป็นยังไงพอมันหลงไปเรากลับมารู้สึกตัวมันก็จะเกิดการสังเกตได้เห็นบ่อยๆทําซ้ําๆหน e e e ึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนหนึ่ปีสองปีสามปีทำซ้ำๆก็จะเห็นอารมณ์ ตัวเองออเวลามันหลงไปเป็นอย่างเงี้ยมันมีลักษณะเองเงี้ยอ่ะเรากลับรู้สึกตัวแล้วพอมเห็นคนอื่นหลงอย่างเงี้ยมันก็ก็รู้ได้เป็นสิ่งที่เราเคยหลงเหมือนกันอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นก็เป็นอารมณ์เดียวกัน ค, คล้ายๆกันแล้วก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นไปอยู่กับโลกได้มากขึ้นไม่ทะเลาะบอกแวงกับใครมากอะไรพอมที่จะจัดการตัวเราเมื่อ จะต้องช่วยเหลือใครก็ช่วยเหลือได้อย่างใจไม่เปื้อนช่วยเหลือแบบที่เราเองก็ไม่ได้ทุกอะไรอ ย, อย่างเมื่อกี้ที่สวดโอว า, าทปาติโมกเียหลักของพระพุทธศาสนาที่เป็นการไม่ทำบา การทำกุศลให้ถึงพร้อมทําจิตใจให้บริสุทธิ์หรือคําที่หลวงพ่อคําเขียนใช้แบบชืพึ่งใช้นะใช้ในช่วงก่อนปีใหม่ชัวไม่ทําดีทําไปใจบริสุทธิ์เลยอังนี้สําคัญนะชั่วไม่ทําดีทําไปใจบริสุทธิ์นะ ใ, จ ใ, ใจต้องบริสุทธิ์เดียนะชั่วไม่ทํากับดีทําไปเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโลกข้างนอกเกี่ยวข้องกับตัวข้างนอกเกี่ยวข้องกับ บุคคลข้างนอกทาไปทำชั่วไม่ให้ใครเดือดร้อนดีทำไปถ้าจะทำทำดีแต่ข้างในต้องไม่เปื้อนนะข้างในต้องบริสุทธิ์ต้องมีสติรู้ตัวตลอดไม่ไงั้นมันก็จะทะเลาะกันอย่างตอนนี้อาจจะเกิดเหตุมีการชุมนุมมีการเรียกร้องอะไรต่างๆ เคยฟังอ่ะนะเคยฟังที่เขาเรียกร้องเคยฟังที่เขาก็ดีนะเป็นการปลุกกระแสให้กลับมาสังคมมันดีขึ้นแต่บางทีมันมีความเปื้อนของอารมณ์อยู่ข้างในมีหลายคนน้อยคนนะัที่จะอยู่ตรงนั้นได้โดยที่ใจเป็นกลางๆไม่เปื้อนอารมณ์โกรธไม่เปื่อนคําตัดสินไม่ใช่มีว่าเราดีเนี่ยส่วนใหญ่ทําไปก็จะมีถูกไม่ผิดอย่างเนี้ยเราถูก ของเขาผิดไหนจริงมันก็ไม่ได้ผิดหรอกเขาก็ไม่ได้เลวหรอกมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยแค่นั้นเองเลแต่ถ้าเราไม่รู้จักสติปัฏฐานเนียชั่วไม่ทำดีทำแต่ใจมันก็เปื้อนอนะ่ะบางทีมันก็พลิกได้นะทะเลาะกันด้วยความดีเมตตามากๆที่กลายเป็นลาคะได้ง่ายๆเมตตาใครสักคน การุณาใครมากๆที่ไม่มีสติเปลี่ยนเป็นโทสะเลยทันทีเนี่ยก็เลยต้องเอาสติมาใช้เอาสติมาใช้ในชีวิตประจำวันเอาสติมาใช้ในการดําเนินชีวิตต่างๆตัวก็เริ่มจากสิ่งนี้โดยเริ่มกับการเคลื่อนไหวในรูปแบบนั่นแหละเหมือนเป็นสิ่งที่อาจารย์ส่งเสียนเคยยกตัวอย่างเหมือ น, นมาหัดว่ายน้ําในสระก่อน อยู่ทั้งนี้หัดว่ายน้ำในสระก่อน ถ, ถึงเวลาพอมันเริ่มว่ายน้ำเป็นแล้วลองไม่โดดดูลองไปโดดว่ายน้ำดูจะว่ายน้ำยังไงในทะเลเงี้ยในที่คลื่นเยอะๆเงี้ ย, ะ ย, ะยะจะว่ายยังไงมันก็จะไว่ายได้นะถึงเวลาถ้ามันว่ายน้ำเป็นจริงๆถ้ามันเริ่มสัมผัสรู้สึกจริงอย่างตอนนี้ก็จะเริ่มรู้ละปฏิบัติมาหลายคน เริ่มรู้ว่ารู้สึกเป็นยังไงจับตรงนี้ให้มั่นนะนะถึงเวลาจะไปทิ้งฐานทิ้งฐานความรู้สึกที่พื้นพื้นความรู้สึกธรรมดาที่วันแรกเรารู้สึกก็เป็นอย่างนั้นแหละตัวช่วยได้ดีมากเลยเป็นตัวช่วยที่เป็นหลักไม่ต้องไปพัฒนาฐานรู้สึกนะบางทีพัฒนาถ้ามันจะพัฒนาพัฒนาเองแต่อย่าลืมตัวรู้สึกจากการกระทบสัมผัสธรรมดาธรรมดาแล้วกันจะพาไปไกลไกลเลยละ่ะ พอไปงานถ้าพัฒนาเองมันจะเป็นเรื่องของความคิดอ่ะคิดพัฒนาแล้วถึงเวลาก็จะเกิดการงงการสรับสนขึ้นมาว่าตรงลงอะไรใช่หรือไม่ใช่ทั้งที่จริงๆหลักมันก็มีอยู่แค่เนี้นะเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินะก็ไม่มีอะไรมากเคยพูดไว้มันเหมือนกับการออกจากปัญหามีปัญหาข้างในปัญหาข้างนอกอย่างเวลาเราอยู่ในโลกมีปัญหาเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็ พยายามจะแก้ปัญหาหาคำตอบหาทางออกหาคำเฉลยคนที่แก้ได้หาทางออกใไไหม่ยได้เขาก็บอกว่าคนนี้ฉลาดคนนี้มีอนาคตคนนี้มีหนทางในการทํามาหากินอะไรต่างๆแต่คนที่แก้ไม่ได้คนนี้ตกแล้วจมอยู่กับปัญหาก็เป็นคนที่เขาใช้คำว่าก็เป็นคนโง่เป็นคนที่ไม่มีสติปัญญาอะไรเงี้ย แต่นักเจริญสติมันอีกเรื่องหนึ่งเลยเราไม่ได้ทั้งตอบไม่ได้ทั้งตกอยู่ในปัญหามีหน้าที่ออกจากคำถามก่อนออกจากคำถามคือออกจากความคิดที่มันเกิดขึ้นในใจนะมันมีความคิดเกิดขึ้นเรากลับมารู้สึกกลับมารู้สึกกระทบสัมผัสรู้สึกออกจากปัญหาเลยออกจากเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในหัวเลยเป็นภาษาเลย บางทีมันไม่ได้คิดเป็นปัญหานะบางทีมันไม่ได้คิดเป็นคําถามแต่มันคิดเป็นเรื่องราวเป็นคําอธิบายอะไรต่างๆเป็นการพรรนาเป็นอะไรต่างๆมันเป็นภาษานะเป็นภาษาในหัวเป็นอะไรที่เราเข้าใจได้เมื่อนั้นเราลืมกระทบสัมผัสรู้สึกไม่คิดเนี่ยไม่มีหรอกนะจริงๆอ่ะวินาทีไหนที่ไม่คิดไม่มีหรอกแต่บางทีมันไม่ได้คิดเป็นคําพูดมันคิดเป็นสภาวะเป็นสังขารมันปรุงเป็นสภาวะขึ้นมายังไงมีแน่ความคิด เจตสิกมีทุกขณะจิตละพูดตามภาษาปริยัด น, นะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะกลับมารู้สึกเนี่ยโอ้ยเยอะตลอดเวลาเพียงแต่ว่าทำให้ได้แล้วก็แยกคลายอันไหนพลาดแล้วก็ไม่เป็นไรต่อไปลองทำต่อไปมีโอากาสสังเกตดูต่อไปอะไรเงี้ยอันไหนที่ผิดแล้วก็อลองทำต่อ ผิจากสิ่งที่สังเกตบางทีก็าจะช่วยสังเกตจากสิ่งที่ผิดที่ก็าจะช่วยได้นะทำให้ครั้งหน้าเราเริ่มเริ่มรู้อะไรได้บ้างแต่อย่ามัวแต่สังเกตด้วยการคิดแล้วกันหมายถึงว่ากลับมารู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกให้เป็นหลักฐานไว้ให้เป็นหลักเป็นฐานไว้อ๋านอกก็พูดมาเท่านี้คงจะได้ไประโยชน์บ้างไม่ได้ไประโยชน์บ้างก็ไม่เป็นไรฟังแล้วก็ไม่ต้องเชื่อ ไปทำเอาลองทําดูหน้าที่คนฟังก็ฟังแล้วก็ทิ้งอ่ะนะพอหน้าที่ของคนพูดพูดแล้วก็ทิ้งเหมือนกันพอพูดไปแล้วก็ถึงเวลาหลังอย่างเนี้ยเมื่อความพูดมันความคิดมันขึ้นมาหลังจากการพูดตรงนี้มันก็คนพูดมีหน้าที่ทิ้งคําพูดนั้นเหมือนกันกลับมารู้สึกตัวเหมือนกันทําหน้าที่เดียวกันเป็นอย่างที่บอกเนอะมาสมควรแก่ เวลากราบพระพร้อมกัน